รัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบารุงง่ายมักน้อยสันโดษความขัดเกลาความกำจัดกิเลสอาการหน้าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยประการต่างๆทรงสแสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมให้คอยตามกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้น เราจะบัญญัติศีรษะบทแก่ภิกษุณีทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์สเพื่อความพาสุขแห่งสงฆ์สเพื่อขมภิกษุณีผู้เก้ อ, อยาก 4. เพื่อความอยู่พาสุขแห่งเราภิกษุณีผู้มีศีลดีงามห้ 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6.